คุณจะมีที่ว่าจะมามาหนะรือเปทีูคุณคมีนี่ยทมาทาหนเนี่ยเาไม่ทอบนึกว่าจะมาคุณคุมีที่อยู่อะไรคงคงพยายามมาโอ้คงจะนี่นั่นแล้วว่าจะมาฮะอ่อาคงพยังมไม่ถึงนะไม่ชอกว่าจะมาโอ้คุณเรวดีนมา ท, นทุกวันเรวดีนะ่ะกครไม่บ้างเรวดี ่ที่นั่นทาไหนอืมตอตนตอนตกนี่คุณรู้มาทุกวันนึงนะตอนเย็นฟังทวนได้ไหล่ะฟังไม่เสียเที่ยวหรที่มานีะไม่เสียเที่ยว นี่พี่เจ้าคุณคุณนี้ว่าจะมาตอนนี้ตอนรายการนี้ก็เกียบมืองไทยม6ปุ่ม น, นั่นเป็นเวลากำลังนอนแล้วมานั่งที่นี่ชอบคน คอยแต่จะหลับ ย, ยังไงกันลราดูนาฬิกามันเป็นเวลากันหลับนอนทั้งนูง่นมันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามมือตามสว่างมันเกิดดีท่านคอยจะจะหลับมันไม่ได้เปลี่ยนทุกวั น, นก็อยู่เหมืนั่นกล่คืนนี้จริงนอนไม่หลับกลางคืนนอนหลับประมาณคืนหนึ่งประมาณชัโมง ชั่วโมงครึ่งหรืออย่างมากไม่เลยสองชั่โมงกลางคืนนะเท่านั้นแล้วตื่นเลยถ้าขังเคยกินเหมือนน้ำกูจะเคยกินตอน น, น, นนี้ก็มีจะนานอยู่คือคือนานอ่ะอ๋อ ี่นนั่มไหมล่ะอืก็ถามแค่ยืที่นอ่ะไปถานเขาไปเลยเพราะได้เศร้าจะมา่นเศ้ า, า, านจริงรอรอรออยู่เห็นว่าไกลหนิฮะไปะะนั่งตาา่างกันไปเละ จะแสงคอทุกอันทุกทุกคนแต่ถ้าตกกลงคืนจริงก็หายาตอนนึงๆติแสงคอเนีนเ จ, ออนนจะเป็นอย่างเอาสามพุ่านานะหายอไรแันนี้จะเริ่มที่บาธรรมะเสีนงดังที่เคย ปฏิบัติบัหลังจากนั้น ท, าท่านก็มีข้อข้องใจในแง่ ใ, ใดของการจิตใจกากันเถียงการ ท, ทั้งทมที่ไม่เคยพูดเป็นเมื่อวานนี้เป็นต้น ปรกดว่ามีท่านผู้ถาเกื่กเรื่องความจำได้จำไม่ไน้การจำไม่ได้จะมีประโยชน์อย่างไรการฟังทั้งข่าวปฏิบัติแต่ขณะที่ท่านฟังท่านเข้าใจคำที่แจงแต่เวลานี้อาจารย์พูดเป็นภาษาหนึ่งต่าง ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจในขณะที่อาจารย์กำลังแสดงแต่ถ้าจิต ด, ดูจำก้อหน้าคือตั้งจะฟังอยู่ในขณนะนั้นกับกระแสแห่งธรรมที่แสดงเข้าไป ผัดภายในใจิตใจก็จะทำให้ใจได้รับความรู้สึกกับความสัมผัสแห่งเสียงนั้นๆแง้วเป็นความสงบเงย็นใจลงได้เพราะเป็นอารมณ์ที่จะยังสิตให้เป็นปัจจุบันนันนดจิตได้สาหรับท่านผู้ฟังซึ่งเข้าใจภาษาโดยลำดับลาดับในขณะที่แสดงไปอยู่แล้วนั้น เป็นสิ่งที่ทราบได้ชัดในขนาดที่ฟังและจิตก็มีความเพอเิดเพินไปตามบทแห่งธรรมที่ท่านแสดงเพราะการแสดงธรรมนั้นจะต้องพูดถึงเรื่องหรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยกัน เพราะสิ่งนี้มีอยู่ทั้งโลกคือสิ่งที่ ท, ท่านกล่าวถึงนี้และศาสนาและประกาศลงไวน้นี้เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ประจำสัตรูสังขารทั่วๆไปซึ่งควรจะทราบได้ด้วยกันและเข้าใจเรื่องของมีอยู่ของตนที่ศาสนาท่านประกาศสอนไว้และในขณะนั้นท่านแสดงเรื่องนี้ด้วย เราผู้ฟังจริงได้รับความเข้าใจเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังจิตก็มีความจดจ่อต่อคำนั้นๆนีแล้วเกิ ด, ดความสงบไปโดยลำดับลำดับไม่คิดไปในสถานที่อื่นและอารมณ์ใดๆในขณะที่ฟังนั้นใจก็ มีความสงบลมได้และเย็นสบายลืมเรื่องเมลาระตลอดถึงความเ ห, น, หนื่อเมื่อล่าลืมไปหมดถ้าจิตมีความหนักไปในการพิจารณาที่ท่นเดียดวิวปัสสนาหรือปัญญานั้นเป็นอีกเนี่ยเนี่ยขณะที่ท่านแสดงไปจิตจะขยับตามเรื่อย เหมือนกับเดินตามรอยเท้าที่ท่านเดินไปก่อนหน้าเราพอท่านยกเท้าขึ้นเราก็สวมลอยเข้าไปเดินโดยลําดับลาดับคือ ท, ท่านบุกเบิกทางให้เราได้ทราบได้เข้าใจเมือ่อทราบเข้าใจก็เดินตามท่านไปเข้าใจไปไเรื่อยๆอันนี้ก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินไปได้ขึ้นเดียวกันและสามารถจะถอด ถอนี่เหลือคาสวะแต่ได้ในขณะที่ฟังเป็นลําดับลาดับเพระเนาะฉะนั้นครั้งพุทธกาลในรายสาวกทั้งหลายท่านฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมยิงปรากฏว่าสําเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจํานวนมากก็อเพราะเหตุนี้มันเองฟังครั้งนี้จิตขยับขึ้นไปได้แค่นี้ฟังครั้งต่อไปจิตขยับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนมาั่งถึงที่สุด แห่ธรรมท่นเรียวกว่าบรรลุธรรมสูงสุดคือเข้าใจในขณะที่ฟังนั้นเท่านั้นโดยไม่สนใจกับความจดจาได้ประโยชน์ในขณะที่ฟังคือได้ความสงบเย็นใจได้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในขณะนั้นได้ความสุขความสบายได้อุบายแยบคลายต่างๆในขณะที่ฟัง นี่เป็นสิ่งที่ท่านได้ในขณะที่ตังไม่ไม่ได้จากคำพูดนั่นเป็นการจดจำเหมือนเร า, เ, ราเหมือนเราท่องบทสัมมาทิย า, ยยานไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าทำบทใ ด, ดบาตใดซึ่งจะตกค้างอยู่ในความทรงจำของเรานั้นเราก็ไม่สร้างใจหักจำได้อีกการฟังทางภาคปฏิบัติจิ้ถือกันมาก จะขอเล่าเรื่องท่ทานอาจารย์มั่นขึ้นเป็นอาจารย์ในกรรมาฐานสายนี้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบบ้างเล็กน้อยว่าท่านมีความหนักแน่นหรือสนใจในทางใดเกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์ขึ้นไปศึกษาเวรกับท่านท่านมีความสนใจในการแสดงธรรมอบรมพระเนรุนที่ไปศึกษากับท่านมากกว่าอย่างอื่น และตอดสองมองดูที่ยามายาดความเกิดขึ้นปฏิบัติของพระเนรกลัวว่าจะผิดพาบจากหนักทำนิดหนึนี่เป็นประการที่สองแต่การแรกก็คือการอบรมสั่งสอนให้พระเนรได้รับความเข้าใจในปัจจุบันท่างแสดงทำครั้งหนึ่งหนึ่งถ้ามีเฉพาะ พ, าะพระเนนเท่านั้นอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงจะจบลง สามชั่วโมงมัง่งสี่ชั่วโมงมัง่งบางครั้งถึงหกชั่วโมงก็มแต่ก็น่าประหลาดเหมือนกันบรรดาท่านผู้ฟังอยู่ในขณะนั้นเงียบไม่มีเสียงกระหนึ่งว่าไม่มีพระมีเนรยอยู่ในสถานที่นั้นเลยได้ยินแต่เสียงทมท่านกัางวาล อยู่เป็นลํำดับลําดับลําดั บ, ดบไม่ขัดว่าขาดว่าขัดต่อนจนกระทั่งจบลงเท่านั้นการเรียนมีจำนวนมากอย่างไรก็เท่าเข้ากับไม่พอต่างองค์ต่างฟังด้วยความสนใจฟังด้วยความจดจอ่อถ้าองค์อยู่ในความสงบจิตก็มุ่งก็ออัดต่อทำเพื่อเป็นความสงบของใจถ้าจิตข้าเข้าสู่ภูมิปัญญาคือ ความคิดอ่านไตรตรองตามท่านได้จิตก็ขยับตามเรื่อยๆเป็นอันว่าเพลินด้วยกันทั้งสองโอเคหรือทั้งสองท่านขั้นแหน่งความสงบก็เพลินไปตามความสงบเพลินไปตามบุตรธรรมที่จะกล่อมจิตใจให้เกิดความสงบในขณะนั้นๆเพลินไปตามบุตรธรรมที่จะแห้จิตใจเดีนรับทัศน เป็นมะยะมะยะรย ะ, ร ย, ะรยะที่เรียกว่าปัญญาจริงไม่มีความสนใจกับเรื่องความเหน็ดเ่ ม, มือล่าใดๆทั้งหมดนขนาดที่ต่างและท่านจะเทศแต่ข้อปฏิบัติท่านจะเรื่องของสมาธิของปัญญาล้วนๆศีลก็ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วสำหรับพ้าเดนท่านไมแสดงอะไรมากนะมันจะแสดงเพียง หลักของสมาธิของปัญญาที่มีมุตยุดพ้นพาลงไจะแสดงในวันประทุมวันใดก็ต า, ามจะต้องทะลุปูโลงไปถึงนักปณิพานทีไม่เคยข่างค้าในในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเลยนีเนเน่เป็นนิสัยของท่านเพราะท่านมีความรู้ความสลาดทางด้านปฏิบัติมากมายนนะ มีความรอบครอบมีความทำนิตทำนามมากทงด้านปฏิบัติใจเราเมื่อได้รับการอบรมด้วยอาทธรรมอยู่เสมอจะเป็นใจที่มีหลักดิษใจที่ที่มีหลักดิษย่ยอมอยู่เป็นสุดอยู่ปกติก็เป็นสุขประกอบหน้าที่การงานก็เป็นสุขเพราะใจมีหลัก เป็นก็เป็นสุกตายก็เป็นสุกพร่อมีหลักยึดคนมีหลักยึดย่อมไม่เดือดร้อนทำคือหลักยึดของใจด้านวัตถุเป็นหลักยึดเป็นที่อาศัยของกายเป็ติดตามบ้านช่องอ้าเสื่อผ้าเครื่อม น, นุ่งห่งมใช้เป็อาหารว่านคราวนี้เป็นอาหารเป็นที่พึ้นที่อาศัยของกาย กายมีความจําเป็นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้พราะเกิดมาก็เกิดกับสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสิ่งเหนี้เป็นเครื่องบำบัดรักษาเรืยไปกายมีธรรมเป็นเครื่องพยุงมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องเฉลยเรื่อว่าอารมณ์มีอารมณ์เป็นอาหารของใจ าอารมณ์มีดีก็มีชั่วพุมถ้าอารมณ์ไม่ดีก็กลายเป็นยาพิษเข้าแผลท่อจิตใจให้รับความเดือดร้อนถ้าอารมณ์ดีก็ทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขแล้วฝังลงภายในใจิตใจนั้นด้วยอีกทันเรียกว่าอุปนิสัยนิยนยายนวาสนามบาลม์ก็หมายถึงการสร้างคุณงามความดีมาโดยสม่าเสมอ สร้างมามากเพียงไรก็ฝังลงไปที่จิตที่ใจของเรานั้นจนกลายเป็นวิสัยวาสนาขึ้นมาเมื่อใจได้เคลื่อนย้ายไปสถานที่ใดพบใดภูมิใดก็ต้องขึ้นอยู่กับความดีที่ตนได้สร้างเอาไว้และบรรจุอยู่ภายในใจิตใจอันนี้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ไปร่างกายนั้นมีป่าช้า เราไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่ไหนต้องมีป่าชา้าขําหร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกจนแมว่าจะอยู่ในเมืองจะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในน้ำบนบกมันมีป่าช้าอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องตายตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าท่นัดส่วนร่างกายเป็นอย่างนี้ส่วนจิตใจไม่มีป่าชา้า เพอาใจไม่ตายหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ปรุนาพากันจดจำให้ดีนี่หลัหลักของเราถ้าผู้มีความไข้ควรพินพิจารณาถึงเรื่องจิตใจด้วยดีและพยายามปฏิบัติต่ตอตอนเองด้วยดีแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้มีจะเป็นผู้มีหวังอยู่ที่ใดไปที่ใด เกิดในสถานที่ใดก็ต า, ามจะเป็นผู้ไม่ผิดพลาดจากความมุ่งหวังหรือความมุ่งหมายที่ตนตัง้งไว้อั่งเราทั้งหลายที่มาอบรมในวันนี้ก็คือมาอบรมธรรมะเพื่อเข้าถึงจิตถึงใจให้เป็นหลักที่ยึดให้เป็นแสนะเป็นที่พึ่งของใจใได้อาศัยธรรมะนี้เป็นหลักเป็นเตัว พราอใจนี้เป็นสิ่งไม่ตายไม่หมายป่าช้าไม่เหมือนส่วนธาตุขันของเรานี่ร่างกายแตกที่นี่กาไม่แตกออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปเข้าร่างนั้นสูงสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่ ม, ม ด, ดอนดนั้นเป็นเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายในจิต เรียกว่าวิบัติวิปากะซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทําของจิตเองจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงในเรื่องดีเรื่องชั่วจิตเป็นผู้บงการออกมาทางวาจาทางกายให้กระทําทางวาจาทางกายกระทําทางใจเรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรม มโนกรรมคือการกระทำทางใจทำได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางๆพูดได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางกาทำทางกายได้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางๆการกระทำเหล่านี้ท่านเรียกว่ากรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมคือการกระทำความเคลื่อนไหวของจิตความเคลื่อนไหวของกายวาจาท่านเรียกว่าการกระทำเรียกว่ากรรม เมื่อมีการกระทํามีการเคลื่อนไหวอันเป็นต้นเหตุของการกระทําแล้วยิบปากยิบปากะคือผลต้องสืบทอดกันมาเป็นลาหนักําหน่อเป็นแต่ยงังไมาช้าหรือเร็วสามกันเ์็นเล็กน้อยเท่านั้นบางอย่างก็เกิดเป็นผลได้เร็วบางอย่างก็ช้าเช่นเดียวกับผลทางโลกซึ่งเราผลิตกันอยู่บางอย่างก็ขึ้นอยู่กับเรื่รําเวลา บางอย่างก็ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบางอย่างก็เป็นเวลานานๆน้าปรากฏตัวขึ้นแต่สุดท้ายก็เรียกว่าเป็นผลด้วยกันนี่แหละท่านเรียกว่าวิปากะซึ่งมีอยู่ภายในใจใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใจเป็นผู้ทาขึ้นมาแต่ใจจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างสุดท้ายก็จำไม่ได้เพราะทำอยู่เสมอทำอยู่ทุกภพทุกชาติ ทำอยู่ทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนใครจะไปชนะจำจดจ ำ, จำออมมากมายนักหนาตั้งแต่เราเกิดมาในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงวันนั้นเดือนนี้ thôi. เราพูดในวันนี้เท่านั้นเราก็ยังไม่ได้ว่าวันนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้างเราจำจําไม่ได้แต่ความคิดความปรุงการกระทําดีทำชั่วทางกายวาจาใจของเรานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจาได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความทำเท่านั้นมีเป็นหลักสาคัญท่านกินสอนให้พยายามทำดีเสมอเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะตักตวงหรแก้ไขเราได้ทุกแง่ทุกมุมซึ่งไม่สิดความสามารถของเราถ้ า, าผ่านพ้นจากชีวิตอัตภาพมี้นแล้วเป็นความไม่แน่นอนนักปราชทั้งหลายท่านกินสอนผูมาสอนเราไม่ใช่คนโง่ธรรมพระพุทธเจ้านั่นคือจอมปาสดา เป็นศาสน า, าของโลกทั้งสามเป็นผู้รู้แจ้งอย่างจริงจงจริ ง, รงธรรมะที่ตรับแต่แล้วบทละหมา ด, มดเป็นความแน่นอนตายตัวเป็นความสัตย์ความจริงไม่มีทำปลอมแปลงแผงอยู่ภายในพระวักนั้นๆเลยท่านจริงเรียดว่าสวาคาตธรรม แปลว่าทําที่พระพุทธเจ้าปรับไม่ชอบแล้วนะคำว่าชอบก็พร้อมทุกอย่างแล้วนั่นเองมียาณมีกตธรรมเป็นธรรมที่จะยังคู่ปฏิบัติสมควรจะทําให้ค้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดัะโดยไม่ต้องสงสัย น, นะอย่างเป็นธรรมตายตัวเป็นธรรมแน่นอนใทรที่จะพูด ถูกเต้าแม่นยำตลอดมาเหมือนพระพุทธเจ้านี้รู้สึกจะไม่มีแล้วในโลกมนุษย์เราถ้าจะเราจะเทียบสาหรับคนเราทั่วๆไปพูดแค่ร้อยเปอร์เซ็นพูดแค่ร้อยสักร้อยคำเนี่ยอาจจะปลอมไปถึงอย่างน้อย2ี่สิบห้าคำจะมีจริงเพียงเจ็ดสิบห้าแต่พูดไปนานๆาๆนานานานไอ้ปลอมนี่มันรู้สึกจะมากขึ้นมากขึ้นโดยกายปลอมไปหมด ส่วนพระพุทธเจ้าไม่ปรอมเพราะพระทยไม่ปรองพระทยเป็นพระทยที่บริสุทธรู้จริงเห็นจริงจากการปฏิบัติประธานทัตโอวาสอันใดออกมาจึงออกมาจากพระทยที่เป็นของ่มของแท้แล้วนั้นแล้วจะหาความปลองมาจากที่ไหนจึงเป็นท่าวาสหรือเป็นตาดสดาที่เราทั้งหลายจะ ยึดถือเป็นหลักตายตัวหรือตายใจได้เลยว่าไม่ใช่เป็นสัตรูคู่ไอริแต่พวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคนพระสงฆ์ก mm hmm. การที่ท่านประธานพระโอวาสศาสนาไว้ก็เพื่อ เ, เพื่อหมู่ชนเท่านั้นไม่ได้เพื่อพระพุทธเจ้า ไม่ได้เพื่อพระธรรมไม่ได้เพื่อสงฆ์สาวกองใดบรรดา ท, ที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่เพื่อพวกเราท่านไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องตอบหลังตอบแทนก็เพราะพระเมตตานี้เท่านั้นที่ประทานพระโอวาทเราเพียงจะปฏิบัติตามพระโอวาทของท่าน ก็เห็นว่าเป็นความลำบากลำบนไม่สามารถจะตะเกียบตะกายตนไปได้เลยลเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยวิธีใดมีเป็นปัญหาที่เราควรยกขึ้นถามลรกเวลาความขี้เกียจง่ายๆเกิดขึ้นมาเพื่จะแก้สิ่งหน่า น, นี้ที่เป็นมานพคอยจิกกันทางเดินของเราให้เบิกทางให้ได้ด้วยอุบาอันชอบทำนิสเยฉลาดของเราเราควรจะมีใช้ค่าควรกับเราอย่างไรบ้าง เมื่อเราคอยล้างมือเปิดเท่านี้ก็ยังทําไม่ละพระโอว่าทท่านสอนไปแล้วโดยถูกต้องแม่นยำยทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เพียงแต่จะปฏิบัติตามเ <c oughs> ท่านี้เห็นว่าลําบากเราจะไปหาความสะดวกที่ไหนเราเกิดมานานแล้วในโลกนี้เราได้ความสะดวกจากอะไรบ้างให้เราถามเราอย่างถ้าว่าจะเป็นไปตามความต้องการของเราว่าอยากได้สะดวกหรือไปไง่ายๆสบายสมัยแล้ว เราก็ควรจะเป็นคนง่ายคนสบายมานานเลยไม่ควรจะแบบกองพุกอยู่เหมือนโลกทั้งหลายตั่วไปแต่นี้มันก็ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นนอกจากที่เหลือมันหลอกเราเท่านั้นเพราะที่เหลือเคยหลอกมนุษย์สัดว์ทั้งหลายได้มาเป็นมีลานานศานสานาในวัฏสงสารก็คือจิตศาสนาแห่งนี้วัฏฏะก็คือพระพุทธเจ้าเราจะไปทางไหนเราต้องแยกแยะ ก, กันออกดูถ้าเราจะเป็นจิตที่มีครูสอนคือศาสนาของเรา ต้องพยายามการทำความดีก็เพื่อจะชะล้างสิ่งที่ชั่วทั้งหลายการต่อสู้กันก็ต้องมีความหนักความลำบัตบ้างเป็นธรรมดาเราต้องคิดอย่างนี้ขณะนี้เป็นเป็นขณะที่เราควรแต่การอยู่แล้วพร้อมอยู่ทุกอย่างมีจิตใจอัตภาพร่างกาย ก็เป็นไปได้อยู่และทราบดีว่าเราเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพื่อจะได้ถึงจุดที่หมายซึ่งเราต้องการมีใจเท่านั้นที่จะให้ความสมรักสมหมายแก่เราได้เราจะพยายามเอาสิ่งใดบรรจุดเข้าที่ใจซึ่งเป็นของไม่ตายนั้นนอกกนั้นเราเอาแน่นอนไม่ได้อาศัยอะไรก็ คแต่จะพลายลงไปทลายลงไปเห็นเราเห็นอยู่ทุกแย่งทุกหนมีอยู่ทั่วทั่วไปท่านเป็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอาตามีรอบด้านทั้งภายนอกภายในเป็นที่หาเป็นสิ่งที่ห า, หาความไว้วางใจไม่ได้นอกจากคุณงามความดีที่จะปฏิบั ต, ติตนให้มีความราบรื่นดีงามมิโทนเป็นหลักใหญ่สําคัญหลักหนึ่งที่จะให้ความมุ่งมั่นให้ความทั้ หมายเราได้สําเร็จไปเป็นระยัะระยะใจนั้นยอยากไปเสมออยากเป็นสุขก็คือใจถ้าพูดถึงท่างถึงภูมิอยากไปสวรรค์ก็คือใจอยากไปมิผ่านก็คือใจนรกไม่อยากลงเลยความทุกข์ไม่อยากลงเลยไม่อยากสัมผัสถูกต้องเลยแต่ทําไมโลกถึงไม่ถูกต้องถึงไม่สัมผัสก็เพราะหลงกลมุบายของพิริยะ ยิ่งมีอํานาจมากแหลมคมกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเองได้เป็นอาจารย์สอนศัดรูชุดน้าสัตรูทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ทั้งที่ไม่หยั่งตรงจะมีอะไรลนอเป็นศาราที่แหลมคมอยู่ในวัฏจักของโลกของเราทุกวันนี้นอกจากทีก่เหน็ดตัณหาอสวรรเท่นานั้นไม่มีและไม่มีอันใดที่จะสามารถขอดถอนธรรมธรรมชาตินี้ออกได้นอกจากอัตตาธรรมที่เรียกว่าสวาคาตธรรมของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้น นี่เป็นหลักใหเราพยายามทําความเข้าใจกับเสาเสมดเวลาจนกรอกจนจริงๆเวลาจนกรอกจนมุงเข้ามาอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรเราต้องตั้งกับคู่ถามเราไว้เสมอเวลา้านหนาว สิ่งที่จะทำความออุ่นเราเห็นว่าเป็นของสำคัญในขนาดนั้ น, นเวลาร้อนสิ่งที่จะทำความร่มเย็นให้เราคืออะไรเราจะถือเป็นสาคัญในระดันั้น ท, ทันทีเวลาทุกเกิดขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความสุขคืออะไรนันเป็นคู่เคียงกันมาก็คือความดี เ, เหมือนสรุปลงไปแล้ว ทำมีความดีแล้วอยู่ไหนก็เป็นสุขอบอุ่นเย็นใจเทียบอุโมงค์มาใกล้ๆเหมือนอย่างเราตกน้ำํำเวลาจนเกาะเหมือนกับคนตกน้ําคนที่ตกน้ํานั้นเนม้ยจะเคยกลัวผีมาตั้งแต่วันกาเนิดเกิดขึ้นมาเป็นเหมือนโลกเขาก็ตามแต่ในขณะที่ตกน้ํานั้น ซาบผีลอยผ่านเข้ามาซึ่งเป็นขณะที่คนคนนั้นกำลังคว้าหาที่พุ่งที่ยึดที่เกาะ อ, อู่อย่างเป็นใจเพราะกลัวชีวิตจะล่มจมอย่างนขนาดนั้นแล้วซาบผีที่ผ่านลอยผ่านเข้ามานั้นคนที่เคยกลัวผีมาเป็นประจานิสัยนั้นจะไม่กลัวเลยในขนานั้น จะคว้าเกาะทันทีพอประทังชีวิตแม้ขณะหนึ่งก็เอา่เพราะชีวิตมีความน้องขันยิ่งกว่าความตัวผีนั้นนี่แหละเป็นเครื่องเทียบเวลาจิตใจของเราจนกอรอบสมงงเข้ามาจริงๆวาระลสุดท้ายปลายแดดจิตจะต้องคิดถึงคุณ ง, งามความดีถ้าคิดถึงนี่ไม่มีความดีจะคิดถึงความชั่วจนได้ แล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานั่นแ่ละในสุ่มเข้าไปภายในใจิตใจร้อนไปแล้วเป็นไฟแต่ทั้งเกาะเดีวนนเราทําความดีพอคิดถึงเรื่องความดีจิตเกาะปั๊บ ท, ทันทีเย็นไปเลยยิ่งผู้ปฏิบัติความดีอยู่เรื่อยมาแล้วไม่ต้องสงสัยอันนั่นแนลเป็นเพื่อนสองเป็นนิตรเป็นสหายเป็นครูพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแทบจริงยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้น่ะ ขอให้ทำความเข้าใจไว้กับตนเองคือใจอย่างอะไรที่อธิบายไว้สองแง่นั้นคือแง่หนึ่งาศาสดาของมัตต์คืออะไราศราสะดาของวิวัตร์คืออะไร ท, ที่พูดถ่อนแต่กนนี้ปรุณาอย่าได้ลีแลรวข อ, อยตอนนอึติดยังตรงนี้เกานเพื่อท่านปัญญาและอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟัง ตอนนี้ิกอธิบายมากไปหน่อย